หนึอยยีติอาวิกรณาวิธีว่าด้วยวิธีเปิดเผยอาบัติเรื่องภิกษุระลึกอาบัตได้ข้อ220สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกําลังปวารณาระลึกอาบัตได้ภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีอาบัติติดตัวไม่พึงปวารณาดังนี้ก็เราต้องอาบัติแล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไรเนาะ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้เมื่อภิกษุกำลังปรวรณาระลึกอาบัติได้ภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่าผมต้องอาบัติชื่อนี้ครับผมลุกจากที่นี้แล้วจะทําคืนอาบัตินั้นแล้วปรวรณาแต่ต้องไม่ทําอันตรายต่อปรวรณาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย กำลังปรวรณาไม่แน่ใจในอาบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้เมื่อภิกษุกำลังปรวรณามีความไม่แน่ใจในอาบัตภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่าผมมีความไม่แน่ใจในอาบัตชื่อนี้ครับเมื่อผมหมดความไม่แน่ใจจะทำคืนอาบัตนั้นแล้วปรวรณาแต่ต้องไม่ทำอันตรายต่อปรวรณาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย